وَصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي <tukari> لَأُرِيَكَ <napsi> جَاوَءُเพื่อทำหน้าที่ของข้า اِذْهَبَا أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي เจ้าจงไปพร้อมกับพี่ชายของเจ้าพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลายของข้าและเจ้าทั้งสองอย่าเฉื่อยชาในการรำลึกถึงข้า اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى เจ้าทั้งสองจงไปหาฟิรเออ แท้จริงเค้ายะโสโอหังมากก็กูลานะฮูเคาลัลไลนัลอัลละฮูยะตะดักกะรูเอายัคชาละเจ้าต้อง 2 จงพูดกับเค้าด้วยคำพูดที่นุ่มนวลบางทีเค้าอาจจะรำลึกขึ้นมาได้หรือเกิดความจำเคร็ดขึ้นกอละร็อบบะนาอินนะนานะคอฟอันยัครูฏอะลัยนาเอาอันยฏอกะดง 2 ได้กล่าวว่า โอพระผู้ยุบาลของเราแท้จริงเรากลัวว่าหากเราเรียกร้องเข้าไปสู่การศรัทธาเขาจะล่วงเกินเราหรือเขาจะแสดงโอหังแก่เรามากยิ่งขึ้นอะลาลาทะคอฟาอินนีนีมะอะกุมาอัสมะอูวะอะรอพระองค์ตรัสว่าเจ้าทั้งสองอย่ากลัวแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองข้าจะได้ยินและจะเห็น فاتيا فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى ดังนั้นเจ้าทั้งสองจงไปหาเขาแล้วกล่าวว่าแท้จริง เราเป็นศาสนทูตแห่งพระผู้ภูบาลของท่านดังนั้นท่านจงปล่อยวงวานอิสราเอลมากับเราเถิดและอย่าได้ทรมานพวกเขาเลยแน่นอนเราได้นำสัญญาณจากพระผู้ภูบาลของท่านมายังท่านแล้วและความปลอดภัยจากการลงโทษของอัลเลาะห์จงมีแด่ผู้ปฏิบัติตามทางนำที่ถูกต้อง inna qad uhiya ilayna anna al-adhab ala man kazzaba wa tawalla naynon dai mi ong kan ma yang rao wa ta jing kan long thot ja prasop kae phu patiset satsana thut khong allah lae han lang hai kap kan sattha qala fa man rabbukuma ya musa kao klao wa danan khrai lao khue phra jao khong chao thang so او موسی ơi قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا موسی كلوا พระผู้อภิบาลของเราคือผู้ซึ่งประทานทุกสิ่งที่พระองค์สร้างแล้วพระองค์ก็ประทานทางนําที่ถูกต้องให้ อال فما بال القرون الاولى เขากล่าวว่า แล้วสภาพของคนรุ่นก่อนๆนั้นเป็นเช่นไรออละอิลมุฮาอินดะรบบีฟีกิตาบิลลายะฎิลลุรบบีวะลายันซามูซากล่าวว่าความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่พระผู้อภิบาลของฉันในบันทึกของพระองค์พระผู้อภิบาลของฉัน จะไม่ทรงผิดพลาดและไม่ทรงหลงลืมอัลลอซีจอะละละกุมุลอัฎะมะห์ดะววะซะละกะละกุมฟีฮาซุฮูละวะอันซะละมินัสซะมาอ์มาอ์อ์ฟาอคเราญะนะบิฮิอัซวาจัมมินนะบะติชัตตาพระผู้ทรงทําให้แผ่นดินเป็นพื้นราบสําหรับพวกเจ้าและทรงทําให้เป็นถนนหนทางสําหรับพวกเจ้า และทรงหลั่งน้ําฝนลงมาจากฟ้าฟ้าแล้วเราได้ให้พืชผลนานาชนิดออกมาเป็นฮูกูกูลูวัลออ์อันอามะกุมอินนะฟีซาลิกะลายาติลีอูลันฮาพวกเจ้าจงกินและจงเลี้ยงปศุสัตว์ของพวกเจ้า ถ้าจึงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณมากหลายสําหรับปัญญาชนมินฮาคอลักุนาคุมวะฟีฮานูอีดุกุมวะมินฮานุคริจุกุมตาระตันอูคราจากแผ่นดินเราได้บังเกิดพวกเจ้าและในแผ่นดินนั้นเราได้ให้พวกเจ้ากลับคืนไปและจากแผ่นดินนั้นเราจะให้พวกเจ้ากลับออกมาอีกครั้งหนึ่ง ฟื้นคืนชีพในวันปรโลกวะละกอดอรายนาฮูอายาตินาคุลละฮาฟะกัซซะบะวะอาบาเราได้ให้เขาได้เห็นสัญญาณต่างๆของเราแต่เขาได้ปฏิเสธดื้อๆออลออจิตะนาลิตุคริญะนามินอัรดินาบิซิห์ริกะยามูซาเค้ากล่าวว่าเจ้ามาหาเราเพื่อจะเอาเราออกจากแผ่นดินของเรา ด้วยเลขกลของเจ้ากระนั้นรึโอ้มูซาเอ๋ยตะลานาตียันนกบิซหรมิตลิฟาจอัลบัยนานาวะบัยนกเมาอิดัลลานุคหลิฟูนัห์นุวะลาอันตะมะกานันซวาดังนั้นเราก็จะนํามาซึ่งเลขกลนั้นแก่เจ้าเช่นเดียวกันฉะนั้นเจ้าจงกําหนดขึ้นระหว่างเรากับเจ้า ณสถานที่โล่งแห่งหนึ่งโดยที่เราจะไม่ผิดสัญญาและตั่วเจ้ารวยกอลมออิดุกุมยะฮุมุซซีนะวะอันยุชรันลาซุฮามูซากล่าวว่ากําหนดวันของพวกเจ้าคือวันรื่นเริงโดยให้ประชาชนมาร่วมชุมนุมกันในตอนสายกะจะวัลลาฟิรอูนฟะจะมะอะกัยดะฮูซุมมาอะตาฟิรอูนได้กลับออกไป ก็ไปร่วมมือกันวางแผนการของพวกเขาแล้วได้มาอย่างที่นัดหมายกาละละฮุมมูซาวัยลากุมลาตัฟตัรุอะลาลลอฮิกะซิบาฟะยุซฮิตะฟุบิอะซาบวะกอดคอบะมะนิฟตารามูซาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าความหยานะจงประสบแก่พวกเจ้าพวกเจ้าอย่าได้เสแสร้งปั้นแต่งความมุสาแก่อัลเลาะห์เลย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 และต้องการจะลบล้างขนบธรรมเนียมอดีงามของพวกเจ้าแทอัจมีอูไคดะกุมซุมมาตูซอฟาวะกอดอัฟละฮัลยามามันอิสตาลาดังนั้นพวกเจ้าจงรวบรวมแผนการทั้งหมดของพวกเจ้าแล้วเดินออกมาเป็นแถวและวันนี้ผู้ใดเหนือกว่าก็จะรับชัยชนะอย่างแน่นอนอาลูยามูซาอินมา تُلْقِي وَإِنْ مَا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ۙ فَقَالُوا أُمُّ مُوسَى أَيٌّ تَكُنْ فَهُوَ يُنْ ذُون أَوْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ۙ قَالُوا بَلْ أَلْقُ فإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى مُوسَى قَالُوا تَبَأُكَ تُنْ ذُون قَبْلَ ثُر และบัดนั้นเชือกและไม้เท้าของพวกเขาดูประหนึ่งว่ามันเลื้อยคลานไปมาเพราะเลขกลของพวกเขามูซาจึงรู้สึกกลัวขึ้นในตัวของเขาเรากล่าวว่าเจ้าอย่ากลัวแท้จริงเจ้าอยู่ในสภาพที่เหนกว่า وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ไม่ว่าเขาจะมาจากทางไหนก็ตามละอุลกิยัสซะฮเราะตุสุจดานกาลูอามานนาบิร็อบฮารูนวะมูซาและพวกมายากนได้ก้มลงกราบโดยกล่าวว่าเราขอศรัทธาต่อพระผู้พิบาลของฮารูนและมูซาอะลามันตุมละฮูกับลอันอาดนาลันกุม إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا تقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولهصلدنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقا خفرعون <تصفيق> قال وا พวกเจ้าศรัทธาต่อเขาก่อนที่ฉันจะอนุญาตแก่พวกเจ้ากระนั้นรึแท้จริงเขาต้องการเป็นหัวหน้าของพวกเจ้าซึ่งได้สอนวิชามายากลแก่พวกเจ้าฉะนั้นฉันจะตัดมือและเท้าของพวกเจ้าสลับข้างกันและฉันจะเอาพวกเจ้าไปเตร็งไว้ที่ต้นอินทผลักษณ์และพวกเจ้าก็จะรู้อย่างแน่ชัดว่าผู้ใดในหมู่พวกเราที่จะลงโทษที่รุนแรงกว่าและคงทนยิ่งกว่า قالوا لنؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما ان تقض انما تقضي هذه الحياه الدنيا พวกเขากล่าวว่าเราจะไม่เทื่อทูลท่านมากกว่าหลักฐานอันชัดแจ้งที่ได้มายังเราขอสาบานต่อพระ ผู้บังเกิดเราท่านจงทําตามสิ่งที่ท่านต้องการจะกระทําเถิดแท้จริงท่านจะกระทําได้ในชีวิตแห่งโลกนี้เท่านั้นอินนาอามันนาบิรบบินาลิยัฟิรลานาคอฏอยานาวะมาอักเราะฮ์ตนาอะลัยฮิมิน อัส-ซุฮ์ วัลลอฮุค็อยรุนวะอับกอแท้จริงเราได้ศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของเรา ព្រះប្រម្ងចេះតែសងអភ័យទោសពីកំហុសផ្សេងៗរបស់យើងឲ្យយើងហើយសងអភ័យឲ្យក្នុងអ្វីដែលទ្រង់បង្ខំយើងឲ្យប្រព្រឹត្តទាក់ទងនឹងរឿងมายាគត់ហើយរាល់នោះទ្រង់បានជាអ្នកល្អបំផុតហើយទ្រង់យាងនៅជានិច្ចតទៅ អ៊ីនណាហ៊ូម៉ានយ៉ាទីរব্বាហ៊ូមੁជ្រីមាន់្វាអ៊ីនលាហ៊ូជាហាន់ណាំ្វាអ៊ីនលាហ៊ូជាហាន់ណាំម៉ាឡា يمូតូហ៊ីហាវ៉ាឡា យហ៊ីយ៉ា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 فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى لَأُبْدِي مَا هَضْرُمْ بِدَوْي بِنْهُ سَتَا خَدَ كَرَتَم كَام دِي ตางตางอะไวชนเหล่านี้แหละสําหรับพวกเขานั้นจะมีตําแหน่งอันสูงส่ง جَنَّاتٌ <coughs> تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى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 และโดยแน่นอนเราได้ให้องค์การแก่มูซาว่าจงนําห่วงบ่าวของข้าเดินทางในเวลากลางคืนแล้วจงฟาดไม้เท้าลงในทะเลให้เป็นทางเดินแห้งแก่พวกเขาเจ้าอย่าได้กลัวว่าจะถูกตามทันและเจ้าอย่าได้กลัวจงน้ําแต่อัจบะอุมฟิรอาวนุบิจุนูดิฮิฟะฆะชิยุมมินัลอัม مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى فِرْعَوْنُ ضَمَّ مَعَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتَبِعُوا مَا يَقُولُونَ وَمَا هُمْ بِرَاجِعِينَ فَجَاءَ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَأَتَى عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَفِرْعَوْنُ جَعَلَ قَوْمَهُ فِي ضَلَالٍ وَلَمْ يَهْدِهِمْ سَبِيلًا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 และเราได้ประทานอาหารหวานและนกคุ้มให้แก่พวกเจ้ากูลูมินไตบาตมารซกนาคุมวะลาตอฆอฟีฮิฟะยะฮัลอะลัยกุมกอดบีวะมันยะฮัลอะลัยฮิกอดบีฟะกอดฮะวาพวกเจ้าจงกินจากสิ่งที่ดีทั้งหลายที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าอย่าได้ฝ่าฝืน มิฉะนั้นความกริ้วของข้าจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าและผู้ใดที่ความกริ้วของข้าเกิดขึ้นแก่เขาแน่นอนเขาจะประสบกับความพินาศวะอินนีลัฆฟฟารุนลิมันตะบะวาอามะนะวะอะมิลซอลิหันซุมมะอะห์ตะดาและแท้จริงข้าเป็นผู้อภัยอย่างเหลือล้นแก่ผู้ที่ขออภัยอโหสิกรรมและศรัทธาและประกอบความดีแล้วยึดมั่นอยู่ในทางนําที่ถูกต้อง وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ لاَ أَرَى لَوْ ثَمَّ حَاجَةٌ أَنْ تَعْجَلَ إِلَى رَبِّكَ يَا مُوسَىٰ أَلَهُمُ الْأُولَىٰ عَلَىٰ أَتْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَضَارَ كَمُوسَىٰ قَالَ إِنَّهُمْ تَأْتُونِي مِنْ وَرَائِي وَلَقَدْ سَبَقَتْ لِي كَلِمَةٌ مِنْ رَبِّي فَلَمَّا وَجَدْتُهَا عِنْدِي جِئْتُكُمْ فَتَبَيَّنَتْ لِيَ الْغَيْبُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ โอพระผู้บันของฉันก็เฝ้าพระองค์ทรงพอพระไถเท่านั้นกาล ف اننا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري พระองค์ตรัสว่าแท้จริงเราได้ทดสอบกลุ่มชนของเจ้าหลังจากที่เจ้าได้จากหนาและซามิรีก็ได้ทําให้พวกเขาหลงทาง รجى موسى قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا اف قال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي موسى ได้ตะปราไปยังกลุ่มชนของเขาด้วยความเครียดโกรธเสียใจเขากล่าวว่าโอกลุ่มชนของฉันเอ๋ยพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า มิได้สองสัญญากับพวกเจ้าด้วยสัญญาที่ดีดอกรึคํามั่นสัญญานั้นนานเกินไปสําหรับพวกเจ้ากระนั้นรึหรือว่าพวกเจ้าประสงค์ที่จะให้ความเคี่ยวโกรธจากพระผู้อธิบานของพวกเจ้าเกิดขึ้นแก่พวกเจ้า ਫੋਕ ਚੌ ਜਿੰਗ ਦੇਬਿਟ ਪ੍ਰਿਵ ਸੰਯਾਹ ਕੌਂ ਚੰਨ ਕਾਲੂ ਮਾ ਅਖਲਫਨਾ ਮੌਅਦਕ ਬਿਮਲਕਨਾ ਵਲਕਿਨਾ ਹੰਮਿਲਨਾ ਅਉਜ਼ਰਮ ਮਿਨ ਜ਼ੀਨਤਿਲ ਕੌਮ ਵਲਕਿਨਾ ਹੰਮਿਲਨਾ ਅਉਜ਼ਰਮ ਮਿਨ ਜ਼ੀਨਤਿਲ ਕੌਮ ਤਕਦਥਨਾ ਫਕਾਦਲਿਕ ਅਲਕਸਾਮਰੀ พวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้ผิดพริ้วสัญญาของท่านตามความสมัครใจของเขาดอกแต่ว่าเราต้องแบกน้ําหนักเครื่องประดับของภักพวกอย่างมากมายเราจึงโยนมันลงไปในกองไฟเช่นเดียวกันซาเมรีก็ได้โยนมันลงไปด้วย فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا พวกเขาไม่รู้หรอกว่ามันไม่อาจจะให้คําตอบแก่พวกเขาและมันไม่สามารถจะให้โทษใครคุณแก่พวกเขาเลย و قد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَٰنُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي لَدَيْنَا نَائِنَّ هَارُونَ دَيْ گلاو کے پوکاؤ گؤر لاو وا او گلوم چن کھوں قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى พวกเขากล่าวว่าเรายังคงบูชามันโดยจะเคารพภักดีต่อมันจนกว่ามูซาจะกลับมาหาพวกเรา <سؤال> <سؤال> قال يا <قال> هارون <قال> <قال> <قال> <قال> <قال> <قال> ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا <أن> تتبع لاف عصيت <أمر> امري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 انني <imitation> خشيت <imitation> ان <ฮาร์ัก> تقول <imitation> فرقت <imitation> بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي هارون كلا وا او ลูกของแม่ฉันเอ๋ยอย่าดึงเคราและศีรษะของฉันซิแท้จริงฉันกลัวว่าท่านจะกล่าวแก่ฉันว่าท่านได้ก่อการแตกแยกขึ้นในหมู่วงวานของอิสราเอลและท่านไม่คอยฟังคําสั่งของฉัน قال فما خطبك يا سامري موسى قال وا جاء ต้องการอะไรโอ้ซาริมีย์ قال بذبط بما لم يدسر به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي เขากล่าวว่าฉันเห็นในสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็น คือเห็นยิบรอฮีมที่แปลงร่างลงมาดังนั้นฉันจึงกําเอาดินฝุ่นกอบ 1 จากรอยเท้าของร่อซูลหมายถึงยิบรอฮีมแล้วฉันได้โยนมันลงไปที่ลูกวัวที่ทําขึ้นและเช่นนั้นแหละจิตใจของฉันก็ได้เห็นดีเห็นงามไปด้วยกาลฟะซฮับฟอินนะลักฟิลฮายาติอันตะกูลนะมีซัส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 انما الهكم الله الذي لا اله الا هو ووسع كل شيء علما تاจริง พระผู้อภิบาลของเจ้านั้นคืออัลเลาะห์ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระองค์ทรงแผ่ความรอบรู้ไปอย่างทุกสิ่งกะดาลิกะลกุสอะลัยกะมินอันบาอ์มากัดซะบะก وقد اتيناكم من عندنا ذكرا ชั้นนี้แหละเราได้บอกเล่าข่าวคราวที่เกิดขึ้นแต่ก่อนการแก่เจ้าและแน่นอนเราได้ข้อเตือนสติจากเราแก่เจ้า من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا ผู้ใดหันหลังให้อัลกุรอาน แท้จริงเขาจะแบกโทษหนักในวันปรโลกโดยพวกเขาจะคงอยู่ในนั้นตลอดไปและช่างเป็นการแบกที่เลวร้ายสําหรับพวกเขาในวันปรโลกเสียนี่กระไรเอียวมายุนฟัคฟิสซูรวะนะชุรุลมุจริมีนยะมะอิดินซุลกอวันที่สังจะถูกปราบ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 เรารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขากล่าวกันเมื่อผู้มีความคิดที่ดียิ่งกล่าวว่าพวกเจ้าไม่ได้พำนักอยู่นอกจากเพียงวันเดียวเท่านั้นและพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับภูเขาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด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 وخشعت اصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ونั้น พวกเขาจะติดตามผู้เรียกร้องไปโดยไม่มี เจ้าจะได้ยินเสียงใดนอกจากเสียงแผ่วเบาเยอมาอิดิลลาะทะฟออัชชะฟาอะตุอิลลามันอะซินะละฮุอัรเราะห์มานวะรอดิยะละฮุเคาลานวะนันการชะฟาอะฮ์จะไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาทรงอนุญาตแก่เขา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 وقد خاب من حمل الظلم لابناء ทั้งหลายได้สยบลงต่อพระผู้ทรงเป็นอยู่เสมอพระผู้ทรงอมตะและแน่นอนผู้ที่แบกความอธรรมไว้คือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นั้นต้องประสบกับการขาดทุน และผู้ใดปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาเขาจะไม่กลัวการอาถรรพ์และการบันทอนใดๆ وكذلك انزلناه قرانا عربيا و, و صدفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا และเช่นนั้นแหละเราได้ให้อัลกุรอานลงมาแก่เขาเป็นภาษาอาหรับและเราได้กล่าวซ้ำในนั้นถึงข้อตักเตือน 왕ว่า พวกเขาจะมีความยำเกรงหรือเกิดข้อเตือนใจแก่พวกเขาตะอาลาอัลลอฮุลมัลกุลฮักกะวะ라 타อ자 บิลกุรอานิ민 캅ล อัน ยุก다 อะลัยกะวะฮยู 쿼르 랍비 지드니 일마 ดังนั้นอัลเลาะห์คือพระผู้ทรงสูงส่งทรงยิ่งผู้ทรงอำนาจอันแท้จริงและเจ้าอย่ารีบเร่งในการอ่านอัลกุรอาน แล้วก่อนที่องค์การของพระองค์จะจบลงและจงกล่าวเถิดโอ้พระผู้บำรุงของฉันขอพระองค์ทรงโปรดเพิ่มพูนความรู้แก่ฉันด้วยแล وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا และโดยแน่นอนเราได้คํามั่นสัญญาแก่อาดัมและก่อนการแต่เขาได้ลืมและเราไม่พบความมั่นใจในตัวเขา وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ แล้วเจ้าจะได้รับความลำบากอินนะละกะอัลลาตะจูอะฟีฮาวะลาตะอะรอวะอันนะกะลาตะฎมะอูฟีฮาวะลาตะฎฮาแท้จริงในสวนสวรรค์นั้นเจ้าจะไม่หิวและไม่ต้องเปลี่ยนกาย และแท้จริงในสวนสวรรค์นั้นเจ้าจะไม่กระหายน้ําและจะไม่ตากแดดเพราะว่าซัวซาอิลัยฮิชัยฏอนกาลยาอาดัมฮัลอดุลลุกะอะลาชะญะเราะติลคุลดุวะมุลกิลลายะบะลาต่อมาชัยฏอนบันร้ายได้กระซิบกระซาบเขามันกล่าวบอกว่าโอ้อาดัมเอ๋ยฉันจะชี้แนะแก่เจ้าถึงต้นไม้ที่อยู่เป็นนิรตลอดกาล และการมีอำนาจที่ไม่สูญสลายเอามั้ยและกล่าวจากมันฟะบะดัตละฮูมาซาวอาตุฮูมาวะตะฟิกายักซิฟานอะลัยฮิมามินวะรอกิลจันนะวะอะศาอะดัมร็อบบะฮูฟะก็วาดังนั้นทั้งสองจึงกินจากต้นไม้นั้นสิ่งพึงสงวนของทั้งสองจึงถูกเผยออกมา